ร่วมกับครูบาอาจารย์ที่นี่จึงท่านพระอาจารย์หลายๆอย่างแม้กระทั่งการอาบน้ําค่อยค่อยๆไป เรื่องที่ถีมานะเรื่องพระวินัยเราจะไม่เข้าใจเรื่องว่าสมาธิอันแท้จริงเป็นยังไงถ้าสมาธิไม่ได้เรื่องเชื่อ สภาพกรรมไม่มีผมไม่บวชเหมือนกันหรอกครับนี่ถ้าเราไม่เน้นหนักพระวินัยน่ะเราจะ ขาดเพราะมันสอนยากเองเพราะมันสอนยากสอนใครก็ไม่ยากเท่ากับสอนตัวตามหลักกราบแหละมันกราบให้สวยสอนศีลนี่สําคัญเล็กๆน้อยๆหมดเลยถ้าได้น่ะเรา พอไม่เชื่อพุทธชาติกรรมก็ทําได้มีบางองค์เก่งนั่งเก่งพอที่แรกทําได้เก่งอ่าน หมดได้เสียบได้พระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกันสมัยครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังต้องต้องถูกจับโดยแพ้นะไม่จะอ่านวลจิตเค้า เออของหลวงปู่มั่นนี่ของปู่มหาบัวยังเขียนไว้เลย 20 พรรษาเค้าฉันน้ําปะนะมีบริเล็กข้าวอยู่ในนั้นน่ะมันเป็นอบัตินั่งอยู่กุฏินั่งหลับตาว่าเค้าหมดกันทั้งนั้นเป็นอบัติสายก็มีพรุ่งมาวัดกี่คนหวยออกกี่ตัวมั่นเหลือเกินรถหมด คาถาพระพุทธเจ้าชนะได้หมดเข้าป่าเข้าพงอะไรผีไม่คือสัตว์ที่มีเขาอยู่หน้าอกหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่น กินขันมื้อเดียวให้มันทุกข์กลัวผีเข้าประชาให้มันทุกข์ไม่คิดมากๆไม่ให้มันกินข้าวเลยพอแล้วมันหิวข้าวเท่านั้นมันสิไปคึดบ่กับผู้สาวมันก็คิดได้แต่ข้าวของตัวสิเก่งปานได๋บ่เชื่อก็ ท่านฉันข้าวเปล่าๆนะไม่กินเลย 3 เดือนคิดถึงเรื่องผู้หญิงดีนักไม่มึงกินกับข้าวเอากินข้าวเปล่าๆน่ะเอ้าดีเท่าใส่เลยนะสายนี้สายในพรรษาไม่รู้ว่าน้ําฝนตกมาเพียง มันได้ตั้งสัจจะแล้วถ้าเราไม่มีสัจจานะเราแพ้ตลอดชีวิต เปรทุกวันสมองจีวรเปื่อยแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะโอดด้วยยิ่งไม่อยากได้ยิ่งมาสัจจะของจริงๆนะ ไปอยู่ทางอำเภอน้ำยืนบิณฑบาตไปกลับ 14 กิโลสาขาวัดประพงอยู่ในน้ำยืนนั้นมีสาขาหนึ่งบิณฑบาตได้ หลวงปู่ช่วยผมด้วยให้มันเต็มบาดอะไรวะงั้นพอลงมาบินธบาดนี่อาจารย์เอ้ยขนมเค้าไม่ใส่ก้อนเดียวเค้าใส่เป็นโหลเต็มบาดอะไรจะไปดีเท่ากับบวชไม่มีหรอกบาดใบเดียวไปไหนเค้าก็ อยากไปกินข้าวกู่ตี้บักหามึงยังว่าสิใช้บาทพ่อยังว่าแม่นบ่ล่ะบ่เห็นบ่ยามฮอดเวลามากะตีกองกินเพิ่นตัวกระตมเอาต้มกระหนมกระตมกระตมกระหนมต้มเลยบาดนี่มันบ่เป็นตะศึกเลยเนาะ นี่โตษาดกินข้าวเขาอยู่ได้ดีไปในบ้านยังไปซี่หน้าเขาอยู่นี่น่ะมันเป็ดตาช้างแม่นหรือบ่แม่นน่ะญาติกับบักผีบ้านี่ล่ะบักนาหมื่นบักนาล้านนี่สิบ่ได้เป็ดตาช้างเจ้า โอ้ยคั่นไดอยากสึกยังไดจังอยากสึกโอ้ยมันพอโพวิเวกนี่แหละบัดนั้นห้วยเว้ยคั่นบ่พอโพวิเวกพระพุทธเจ้าบ่ให้บวชได้ซั่นสิเอาหยังเราสู่ซั่นนอนอยู่ใต้ต้นไม้ลมพัดมันก็พอโพวิเวกแม่งบ่งขนไตมันก็พอ นั่นนาทีของมันสิบ่ให้มันมีได้จังได๋โอ้ยมันยังคิดอยู่เฮาก็คิดมื้อเรื่องของมันติก็อย่าไปคิดนํามันติล่ะคนบ่มีความคิดก็สิบ้าเท่านั้นแล้วให้มันเจ้าคิดซะก่อนถึงสิมาบวชแม่นมีแต่ เราอยากให้กดทนซั่นความอดกั้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งจะเอาหยังซั่นแหล่วขันติอีสานก็สิว่าบ่คือกันบ่ไทยบ้านคึดอีหยังพากะคึดจังซั่นเหล่าอาจารย์มันคึดจังได๋ผมก็คึดคือกันจังซั่นแล้วบ่คึดหยังก็เรื่องของมันติ มันว่าจังได๋ล่ะบอกอันนี้เอ้าก็เอาน้ํามันซะตี้เราบ่สิว่าโอ้ยพอถึงก็จึกไปซะก่อนถ้าเอาคักๆซะก่อนจังมาบวชใหม่พั่นยังว่าสิพลังเทื่อเฒ่าจะตายแล้วจน 87 ทีล่ะมันยัง นี่น่ะนั่งอยู่หั่นคุยเก่งๆอยู่ข้างอะไรล่ะจะมาถ่ายเลอะไม่ได้กันที่ป๊อบนะจะไปเลอะนี้จะมายืนถ่ายอีกแต่ว่าเป็นหยังบ่เพิ่น อย่างมื้อนี้ตะลิโต่ตะลิโต่พ่อน้อยนี่นุ่มกว่าแฮงเป็นหายแล้วสิบ่ให้มันมีก็บ่ได้สิบ่ให้มันโผโวเว่ๆก็หลับตาอย่างเดียวเด้อันนี้มันก็แม่นอยู่ขึ้นมาปั๊บเบิ่งจิตทันที มึงจังหยังมาเว้ามันสิว่าอันนั้นเป็นจังซั่นโวยเพิ่นผู้นั้นอัดหลาดอยู่เป็นจังซี่จังจั่นจังจั่นเพิ่นเว้าไปเว้ยอีกเอาอีกแรงบ่คั่นนี่เว้าอีกเฒ่ากระถามมันไปตี้ห่า มันเป็นสิบังคับบ่ให้คิดก็บ่ได้ดอกถ้าทุกข์องค์นี่สิบังคับบ่ให้มันคิดให้มันเศร้าคิดให้เบิดกิเลสตัณหาราคะจังบ่ซึ่งสิแม่นพระอรหันต์จังสิพ้นทุกข์ซั่นบ่พระอรหันต์มุขิดินซั่นบ่หอ่ซั่นบ่จังสิว่า อีบ่เว้าไปเรื่องของมันติก็จะไปซ่อยมันติอันนี้หยังก็ไปปรุงแต่งกับมันเฉยๆและต้องขออภัยด้านหลังด้วยนะบ้างก็สลับๆเปลี่ยนกันไปใครฟังคือ ตามธรรมเนียมของนักปฏิบัติมันต้องมีอย่างนี้เราจะปฏิบัติเพื่อจะเจอแต่ทุกข์น่ะนั่นคือคนโง่ปฏิบัติต้องให้เจอทุกข์มากๆไม่อยากเจอทุกข์น่ะไม่ไหวปัญญาเราจะไม่มีพอทุกข์มางุดหงิดมาฟุ้งซ่านมาอ้าวไอ้งุดหงิดมาเยี่ยมแล้วเว้ยขอบใจนะที่ อ่ามีโอกาสนั่งดูเองซะหน่อยว่ะเอ็งจะไปเมื่อไหร่วะก็นั่งๆเป็นเอกเทศแล้วนั่นมันเรื่องของเขาที่จะปรุงแต่งไม่เชื่อ เมื่อที่ฉันไปอยู่ไปบ้านเกิดนู่นพ่ออีแม่อยู่จังได๋น้อวะนี่น้อเพิ่นเพิ่นกินข้าวไปนานแล้วทานข้าวบ่ไม่ ทำตามพระพุทธเจ้าไม่ผิดหวังสร้างศรัทธาขึ้นกับตัว แต่ถ้าเราตื่นตัวตลอดเวลาเนี่ยเอ้าคิดคิดไปปรุงไปอ้าวทุกข์มาแล้วแต คบมวยดูจิตเราดูไปบ่อยๆเกลียดเขาเราทุกข์นี้มาพิจารณาอย่างงี้ มันไหลเรามารู้เรื่องธรรมชาติจริงๆเสร็จแล้วเราจะอยู่คนเดียวก็สบายอยู่อย่างเอกเทศสบายเลยสบาย ทุกข์ไม่ทุกข์เราก็รู้อยู่กับเรานี่ถ้าเราดูเราก็รู้อยู่ว่าทุกข์กล่าวเราก็วางมันซะสิก็แค่นั้นก็พอจะบอกให้นะครั้งพุทธกาลนี่ห่วงจีวรยัง เจ้าอารวาททั้งห่วงวัดนี่ก็เป็นเภดเฝ้าครบใครต้องการได้เกิดในภพ จิตเราเกิดดับนี่กี่อย่างวันนึงวันนึงนั่นคือวตตะนั่นคือการเกิดหมดเราอยากจะรู้ว่าเราจะไปเกิดไหนนั่งหลับ ผมมาเล่าให้ฟังต่อไม่งั้นท่านจะให้ฝึกสมาธิ คนวัยรุ่นคือคือบ่ฝันแล้วเว้นหัวดําไปหาเต้นอยู่นําเขาพุ่นข้อผู้มักแน่ก็ใจโลดโอ้ยเสียดายฝันเพิ่นพะยังว่าได้เพิ่นตื่นขึ้นมาถึกใจเพิ่นตี้ของเพิ่นเคย มันก็ยังมากอยู่นี่แหละว่าจริงว่าน่ะถ้าเฮ็ดได้ถ้าตลอดน่ะแต่ว่าครั้งพุทธกาลน่ะครั้งพุทธกาลน่ะผ้านั้นหา ไปเอาจากศพศพนั้นก็ต้องนะมีหนอนด้วยพระจึงไปค่อยแกะผ้าเข้ามาสลับออกตากดีๆเสร็จแล้วต้มต้มแล้วค่อยเย็บๆลงมาย้อมแต่นี้พระนั้นแหมเราได้จีวรได้กินเวลาตั้งไป 2 ปีผ้าเราขาดหมดแล้วสวยแล้วดี พออยู่ไปอยู่มาป่วยซะนี้พอป่วยโอ้ยเราจะมาตายแล้วเพิ่งได้จีวรใหม่ๆหรือไม่น่าตายเลยเพิ่นเรามาคิดจะจีวรพอตายเสร็จจิตห่วงจีวรมาเกิดเป็นตัวเล่นน่ะศรีพระนะครับเอา คนอื่นไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าได้ 7 วันซะก่อนเข้านี่จิต เป็นชาวบ้านธรรมดาล่ะนะนี้ก็คิดเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องทรัพย์สมบัติหมุนไปกี่อย่างอันตรายต่อการเป็นๆน่ะเราจะฝันเป ถ้ามีสติโดยสมบูรณ์ได้ครูบาอาจารย์ท่านบอกถ้าทําสมาธิได้ต่อเนื่องกันจริงๆจึงห่วงชาวบ้านยังไงห่วงจีวรๆทรัพย์สมบัติในกุฏิจะตายก็ห่วงเงินหลายๆนะ เป็นเปรตเฝ้าวัดเปรตพระยิ่งแย่กว่าเปรตคนณตีอ้าวนะเป็นวัดหลายๆ100 ปีหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ยอดอาคมโดยไม่ได้เกิดน่ะข้ากรรมฐานก็ไปไปหลอกไอ้ผีพระลากขาอะไรวะเข้าป่าสวดกรณีไม่หลอก <What? S 1> ະຈັຄາລາກກຸດຢນຕັງ້ານຕັງີພກນັງັາຂ້າງຈົ້າາວາດດກນມາກຸດລນຢນສັງຊ້ານຕກไปດອມີນໍາວັດປະພນไปເຈີນສາຍວປະພງັດປາດດອນຢນປຕ້ມມາກິນລອບມີ เปรตประจําวัดเลยมาบิ้งพรพับพรพับเข้ามาอะไรวะไปบนคืนน่ะแลบลิ้นออกน่ะถ้าพระวินัยรักษาไม่อ่ะไม่ ให้จะทดสอบดีแล้วน่ะตอนนี้ก็มีก๊อกแก่นจิตใจละมั่นคงแล้วสบายอันดับแรกพื้นฐานอันดับแรกเรานะภาวนานอนตื่นดีผมเคยทํามาแล้ว <laughs> 15 นาทีนะ น้อได้ง่วงงอมนอนไม่หลับเดี๋ยวสงโอ้โห่โหยผีเด็กน้อยเพิ่นว่ามันตื่นเองยิ่งไปอยู่ตามเขานะพวกเทพพวกบังบทนะยิ่งลายกับสัจจะตัวเองคืนคืนมาฝันเค้า ของครูบาอาจารย์ที่ทําอย่างนั้นเพื่อรู้จักทางพ้นทุกข์เราไม่ใช่พ้นทุกข์แต่เดี๋ยวนี้นะ แต่แล้วไม่มีสติสมบูรณ์น่ะรับผลทุกข์เป็นไม้ตะนีจิตใจเรามันจําเป็นแล้วไปไสบ่ได้ก็สร้างมันท้อสบายเป็นหยังล่ะปู่มันเหี่ยวซื่อๆรอกเวลาจะตายนั่งสมาธิเงียบไม่สบายสบาย นี่ไปดีไปดีคนธรรมดาเหมือนกันถ้าได้แล้วไปวุ่นวายกับลูกกับว่าบ่คิดถึงไอ้ลูกล่ะเป็นเปรดเลยน่ะอ้าวมีนะคนอีสาน กูหาหอยไปวัดกูอ้อมไปวัดคู่มือกูก็ได้บุญพ่อแฮงแล้วล่ะบ่สิตายมาบาดนี่คึดฮอดพาแน่เด้อคึดฮอดพาแน่แม่ใหญ่เอ้อเอ้อเอ้อคึดฮอดพาแน่ละเมอไปละคึดฮอดพาแน่อรหังอรหังหลับไปเป็นฝันไปหาหอยเพิ่นได้ยิน เออวัดต้องบ่พรุ่งนี่มีเปลดเฝ้าอยู่นั่นผี มีษามีมันสบายใจมั้ยมีทรัพย์สมบัติมีมันสบายใจมั้ยแต่เราก็หาแล้วเป็น ภาวนาตายทุกวันเตรียมพร้อมมาไว้นี่เราจะไม่ทุกข์แต่ยิ่งไม่ว่าแต่คนธรรมดาพระก็เหมือนกันถ้าห่วงนั้นห่วงเลยไม่เป็นเปรตเฝ้าวัดจะก็เลือกนะตัวใครตัวมัน <c oughs> ถ้าพระพุทธเจ้าไม่งั้นพระพุทธเจ้าท่านจะไม่บัญญัติพระวินัยขึ้นมานั่นคือนี่คือการตั้งใจมั่นแหละเป็น เวลาวันพระมานเมื่อฉันเข้าเปล่าผมก็เอาด้วยก็ตามเอ้าไม่ขีดตั้งหัวใครทํา ไม่เชื่อลองทําดูนะอ่าการขัดเกลาตัวให้ครูบาถ้าเราทําหาสํานักที่จะให้ครูบาอาจารย์เราเป็นที่เราได้ก็ดีผมจะยกอย่างที่ว่าพ่อผมนี่เป็นมรรคทายกว่าน้องประพงค์ชื่อตะเกรี้ยงหลวงปู่ฉาทรมานทุกอย่างกุฏิหลัง ดึงขาเนนบ่อยๆเกลี้ยงๆไปนอนกุฏิครับพอ 5:00 น. แกก็อาบน้ําตากผ้าเข้ามาเสร็จ แกก็ต่างไว้เดินเฉยถ้าเป็นเราวิ่งเลยนะพอครั้งที่ 3 แกเลยนี้พอเข้าไปยาวเม 2 เม็ดแค่นะแล้วนี้คัดไว้แกก็เข้าไปนั่งใน 20 นาที เข้าไปรูปฝาเลยกขขขแกก็เชยอีกไม่นานเค้าเรียกชื่อเนี่ยไอ้เสียงนี้ไม่เคยยินนี่หว่าอีก็ไม่ใช่ก็ไม่มาวัดรู้หมดเสียงนี้ไม่ใช่ช่างหัวมันเถอะแกว่าแกนั่งเชยไม่รู้ว่านะ ประตูเปิดเองเลยแต่นี้เปิดเองเลยตอนนี้แหมพอปล่อยลง